ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินญาสังหะอัตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาสีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่สามสิบสี่ปกินกะวินิชยกถากะถาวิิชัยว่าด้วยเรื่องเบ็ดเล็ดต่อ ต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องของจตุกะทั้งหลายในอนาปติวาระข้อว่าภิกษุสองสามรูปฉันรวมกันนั้นบัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยว่าด้วยสามารถแห่งจตุกะห้าหมวดนี้ก็เป็นเรื่องของอนาปติวาระองอคณะโภชนะการฉันเป็นหมู่จตุกะห้าหมวดก็คือหมวดแรก อ น, นิมันติตตะจตุทะอ น, นิมันติตตะจตุทะก็คือมีพิกษุไม่ได้นิมนต์เป็นที่สี่อย่างหนึง่งบทที่สองก็คือปินนาปาติกะจกตุทะมีพิกษุถือบิณฑบาตเป็นวัดเป็นที่สี่หมวดหนึ่งบทที่สามก็คืออนุปสัมปันะจตุทะมีอนุสัมปันเป็นที่สี่บทหนึง่งแล้วก็ หมวดที่สี่ก็ได้แก่ปักจะจตุทะมีบาตเป็นที่สี่หมวดหนึ่งแล้วก็หมวดที่ห้าก็คือคีลานาจตุทะมีภิกตุอาพาตเป็นที่สี่หมวดหนึ่งก็มีห้าหมวดด้วยกันมาดูว่าใครอบัตใครไม่อบัตคืออย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้นิมนตภิกตุสี่รูปว่านิมนต์ท่านรับพัด ก็คือลับสวยนั่นแหละเป็นโพชนาเป็นหนึ่งในโพชนะห้าในพิสูตสี่รูปนั้นไป3ามรูปไม่ไปหนึ่งรูปเพราะว่าัวงบัตไม่ไปอุบาสกถามว่าท่านขอรับพระเถระรูปหนึ่งไปไหนพิสูตตอบว่าเธอไม่มาอุบาสกอุบาศกนั้นนิมนต์พิสษุอื่นบางรูปซึ่งมาถึงเข้าในขณะนั้นให้เข้าไปในเรือนว่านิมนต์เข้ามาเธอ ขอรับแล้วถวายพัดแก่พิจุทั้งสี่รูปไม่เป็นอาบัตแก่พิษุแม้ทั้งหมดเพราะเหตุดไดเพราะพิจุคณะปุรกะคือรูปที่ครบคณะเนี่ยเขาไม่ได้นิมนต์พิจุที่มาบินกะบาดเขาไม่ได้นิมนต์ไว้ประเดินมาบินกบาดเจอเข้าเลยพิสุที่นิมนต์ไว้เนี่ยมาสามรูปเท่านั้นเจอกลางทางก็เลยนิมนต์ไปด้วยแล้วก็ไม่ได้นิมนต์ออกชื่อพัดด้วยนะ ทำให้ไม่เป็นอบัติแก่พิสูจทั้งสี่รูปเพราะฉะนั้นเขานิมนต์ออกชื่อพัดเมื่อใดพิสูจไปได้แค่สามรูปเท่านั้นก็จะไปนิมนต์พิสูจอื่นไปด้วยไม่ได้ออกชื่อพัดอันนี้ก็ไม่เป็นไรจริงอยู่ในพิสูจนสี่รูปนั้นพิสูจน์สามรูปเท่านั้นเขานิมนต์ได้รับแต่เคแล้วคณะยังไม่ครบด้วยพิสูจนสามรูปนั้น และรูปที่ครบคณะเขาไม่ได้นิมนต์คณะจึงแยกเพราะภิกตุนั้นก็ไม่เป็นคณะโภชนะพักนี้จึงชื่อว่าอะ น, นิมันติตัจจตุธาคือมีภิกตุผู้ไม่ได้รับนิมนต์เป็นที่สี่ก็ได้ทําให้ไม่ต้องอาบัติพึงสราบวิลจัยในบินนปาติกะจัตุธาในเวลานิมนต์มีภิกตุถือบินตาบาเป็นวัดรูปหนึ่งเธอจึงไม่รับ แต่ในเวลาจะไปเมื่อพวกพิสุรับนิมนต์กล่าวว่านิมนต์ท่านมาเถิดขอรับแล้วพาเอาพิสุ น, นั้นแม้ผู้ไม่ไปเพราะไม่ได้รับนิมนต์ไปด้วยกล่าวว่ามาเถิดท่านจักได้ภิการณาพิสุนั้นทำคณะนั้นให้แยกกันเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นอาบัติแก่พิสุทั้งหมดเหมือนกันก็คือเวลาที่เข้ามานิมนต์พระพิสุสี่รูป ตกลงแล้วสามรูปจะไปนะอีกรูปหนึ่งบอกว่าผมไม่ไปหรอกผมถือบินตาบาทหรืว่าเขารู้กันอยู่ว่าท่านถือบินตบาตเปนวดัดบอกว่าผมไม่ไปพอเวลาจะไปจริงๆก็มีแค่สามรูปเท่านั้นเองก็เลยพระที่รับนิมนต์นั่นก็บอกว่าเอาท่านไปด้วยกันเถอะไปบินตบาทป้า น, นุนน่ะท่านจะได้พัดพระสุรันก็ผมไม่รับนิมนต์นะไม่นิมนต์ก็ไม่เป็นไรไปเถอะไปรับอาหารไปบินตาบาทตามปกติซะแล ไปด้วยเพราะฉะนั้นพิสูจนที่ถือบิณฑบาตเปนวัดนี้ก็ไม่ได้รับนิมนต์ก็ทําให้คณะนั้นแยกและทําให้ไม่เป็นอําบัตทั้งหมดพิกิุนั้นทําคณะนั้นให้แยกกันเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นอําบัตแก่พิจิตทุกรูปคล้ายกับพิจิตรที่ไม่ได้นิมนต์เพราะว่าพระพิกิตที่ถือบิณฑบาตเปนวัดนี้ไม่รับนิมนต์เหมือนกันเพื่สร้างวินิจฉัยในอนุสัมพันธ์จตุธะ พวกพิสุรับนิมนต์พร้อมกับสามเณระสามเณร น, นั้นก็ทําคณะให้แยกกันได้เหมือนกันนิมนต์พระพิสุสี่รูปไปฉันนิวันพรุ่งนี้นะไปฉันแกงไตหรือว่านิมนต์รับพัดในวันพุ่นี้ไปกันสามรูปแล้วก็พาสามเณรไปรูปหนึ่งไม่เป็นคณะโพชนะไปรับมาพร้อมกันแล้วมาฉันก็ไม่เป็นคณะโพชนะปุรชาวิจิตรชัยในปัตตะจตุทะพิสุรูปหนึ่งไม่ไปเองทรงบาทไป แต่ด้วยอาการอย่างนี้คณะก็แยกเหมือนกันเพราะฉะนั้นยังไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุทุกรูปเลยอนนีมณ์ฉันออกชื่ออาหารโภชนะห้ามณ์สี่รูปก็ไปสามรูปแล้วก็ส่งบาตรคที่รูปหนึ่งไปก็ได้ก็ชื่อว่าสี่เหมือนกันแต่สี่พร้อมทั้งบาตรก็ทำให้ไม่เป็นอาบัติเพงทราบวินิจฉัยในทีลานะจตุธะพวกพิสูรรับมณ์รวมกับพิกษุอาภา ในพิสูตรสี่รูปนั้นพิสูตรอาพาธเท่านั้นไม่เป็นอาบัติตอนนิมนต์ฉันเข้าผัดนิมนต์ฉันเข้ามันไกพิสูตไปกันสี่รูปแต่ว่าพิสูตป่วยไปรูปหนึ่งเพราะฉะนั้นเฉพาะพิสูตรป่วยเท่านั้นที่ฉันคณะพูช น, ะ, นะได้แต่เธอเป็นคณะปูรกะของพิสษุนอกนี้ได้คณะจึงไม่แยกเพราะพิสูตรอาพาธเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นอาบัติแก่พิสูตเหล่านั้นแท้ คือพิสูุนสามรูปที่เหลือนั้นอบัตเพราะคณะโภชนะแต่พิกูจป่วยรูปเดียวไม่ต้องอบัตในมหาปัญจรีท่านกล่าวไว้โดยไม่แปลกปันว่าพิกษุอาพาธได้สมัยก็คือคราวอาพาธจึงพ้นไปได้ด้วยตนเองเท่านั้นทําให้เป็นอบัตแก่พิกูจนที่เหลือเพราะว่าเป็นคณะปุรกะทําคณะให้ครบเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาเพงทราบจะตุ ก, กะ เรืงนาจแม้แห่งพิสูตผู้ได้สมัยถวายจีวรเป็นต้นก็ถ้าว่าพิสูตผู้ฉลาดรูปหนึ่งบรรดาในพิสูตสี่รูปแม้ผู้รับนิมนต์แล้วไปกล่าวว่าผมจกแยกคณะของพวกท่านขอพวกท่านจงรับการนิมนต์เวลาก็มานิมนต์พระพิสูตสี่รูปในฉันข้าวโดยฉันโภชนะห้าตราบนิมนต์ไปเถอะ เดี๋ยวผมจะทําการแยกคณะเองเมื่อพวกชาวบ้านจะรับบาเพื่อประโยชน์แก่พัดในที่สุดแห่งยาคูและของควรเคี้ยวเมื่อนิมนต์ไปแล้วนี่นะคณะโภชนาสี่รูปนี่นะไปรับเก้ายาคูฉันก็ยังไม่เป็นคณะโภชนาไปรับของควรเคี้ยวฉันสี่รูปนี่ก็ยังไม่เป็นคณะโภชนาะเพราะว่าเฉพาะโภชนาห้าเท่านั้นยกเว้นโพชนาห้านั้นไม่เป็นอบัตกพวกยาคูของควรเคี้ยวต่างๆนี้ ไม่ทําให้เกิดคณะพศชนะเพราะฉะนั้นเมื่อให้ฉันก้าวยาคูของคนเขี้ยวเรียบร้อยแล้วจะรับบาสน่ะเพื่อจะมาบรรจุพับติสูจน์นั้นไม่ให้บาปพิสูุรูปสุดท้ายเลยนะกล่าวว่าพวกท่านให้พิกูจนเหล่านี้ฉันแล้วส่งกลับไปก่อนอาจจะมาทําอนุโมทนาแล้วจักไปตามหลังแล้วนั่งอยู่ก็ให้พิกูุนสามรูปรับพับแล้วก็ให้ฉันก่อน คราบที่ตุ๋เหล่านั้นฉันเสร็จแล้วไปเมื่ออุบาสกกล่าวว่าโปรดให้บาเถิดขอรับแล้วก็รับบาตไปถวายพัดฉันเสร็จทำมนุโมทนาแล้วจึงไปไม่เป็นอาบัติแก่ที่จุทุกรูปเหมือนกันอันนี้ก็เป็นทางออกอีกอันหนึง่งนาะว่าถ้าเขานิมนต์ให้ไปฉันสี่รูปไปฉันข้าวุกไปฉันแกงนั่นแกงนี่ออกชื่อโพชนะห้าก็ไปได้เหมือนกันสี่รูป แต่พอไปถึงให้พิจกสามรูปฉันก่อนฉันเรียบร้อยแล้วตรงกลับไปแล้วตัวเองค่อยฉันที่หลังอันนี้ก็ชื่อว่าไม่ได้รับประเคนพร้อมกันไม่ได้รับประเคนพร้อมกันเพราะฉะนั้นไม่เป็นคณะโพชนะจึงอยู่ความผิดสังเกตในคณะโพชนะย่อมไม่มีด้วยนะแห่งโพชนะห้าอย่างในโภชนะห้าอย่างนี่นะไม่มีการผิดสังเกตเลยจะนมนไปฉันอะไรก็แล้วแต่ จะเป็นข้าวสุก ข, ขนมสดขนมแห้งอะไรก็แล้วแต่ออกชื่ออาหารที่เป็นไวพศเป็นรษ า, าอะไรประทามหรือว่านิมนต์ไปฉันก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ทํามาจากข้าวสุกเหมือนกันนะหรือว่าแกงไก่แกงเป็ดแกงอะไรก็แล้วแต่พวกปิจุ ร, รับนิมนต์ด้วยข้าวสุกแม้รับขนมคุณมากก็ต้องอาบัตเหมือนกันนิมนต์ไปฉันข้าวสุกเนี่ยแต่ว่าไปรับขนมคุณมากนั้นก็ฉันก็้ไปต้องอาบัตเหมือนกัน และโพชนะเหล่านั้นที่สูเหล่านั้นไม่ได้รับรวมกันแต่มีความผิดสังเกตด้วยอาหาระวัตถุมียาคูเป็นต้นก็คือถ้านิมนต์ด้วยข้าวสุกแต่ว่าไปถวายข้าวยาคูอันนี้ก็ไม่มีอับัตบยาคูของคนเคี้ยวอะไรผู้นี้นี่ไม่ได้เป็นโชนะหา้าที่สูผู้ชรารูปหนึ่งย่อมทําไม่ให้เป็นอับัติแม้แก่ที่สูเหล่าอื่นด้วยประการอย่างนี้ พัดประจําเรียกว่านิทยพัดนิทยพัตชาวบ้านพูดว่านิมนร์รับนิทยพัดจะรับรวมกันมากรูปก็ควรแม้ในสลากพั์เป็นต้นก็ในนี้เหมือนกันทั้นจะเป็นอุปสติกภพหรือว่าจะเป็นนิตยพัดเป็นสลากพัดอะไรต่างๆอลนี้อันนี้เป็นอนาบัตรเป็นข้อยกเว้นในอุปสถิภพปักิกภพ อ่ารที่ก็ถวายประจํานี้ยังไม่เป็นอบัตนี้ก็เรื่องของคณะโภชนะต่อไปเป็นปรัมประโภชนะโภชนะที่หลังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเลยว่าเป็นไปจุดตีในพระโภชนะทีหลังเว้นไว้แต่สมัยดังนี้ย่อมเป็นไปโดยการนิมนต์เท่านั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องของวินยัตทักคณะโภชนะนี่เกี่ยวกับเรื่องวินยัตออกปากขออามาฉันสี่รูป เรื่องการรับประเคีนเป็นประธานเป็นใหญ่อยู่ที่การรับประเคนว่ารับประเนคนพร้อมการสีรูปนี่แหละด้วยการเปิดปากขอก็ตามหรือว่าเขานิมนต์ออกชื่ออาหารก็ตามแต่ว่าถ้าสําหรับปรำพ ร, ระโภชนะเป็นไปโดยการนิมนต์เท่านั้นจึงอยู่ภิกษุถูกนิมนต์ด้วยโภชนะอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความเป็นต้นว่าขอต้านจงรับพัดด้วยโภชนะห้าอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เว้นโภชนะนั้น ฉันโภชนะห้าอย่างในอย่างหนึ่งอื่นโภชนะนั้นของพิสูจนนั้นท่านเรียกว่าโพชนะที่หลังเป็นการฉันโพชนะที่หลังเมื่อพิสูจนฉันอย่างนี้เว้นสมัยอาพาธสมัยถวายจีวรและสมัยทําจีวรเสียปาจิตตีถูกกล่าวไว้แล้วในสมัยอื่นก็คือเว้นสามสมัยเท่านั้นคราวอาพาธกลาวที่เป็นฤดูถวายจีวรกราวที่ทําจีวรเท่านั้น ถ้าในสามสมัยนี้ฉันไม่เป็นอบัติแต่ถ้าเกิดไม่ใช่สมัยนี้แล้วก็เขานิมนต์หรือโภชนะห้าก่อนแล้วไปฉันโภชนะห้าที่ก่อนนิมนต์ที่หลังทำมาฉันก่อนต้องอ ბ ัตไปผิดตีพราฉะนั้นที่ตุพึงฉันตามลำดับที่นิมนต์เท่านั้นไม่พึงฉันผิดลาดับใครนิมนต์ก่อนก็ไปฉันเขาก่อนถ้าเป็นการฉันครั้งเดียวนี้ก็มีปัญหาคือที่ดงเอกาชนะเอกาชนะนี่ก็ ไม่มีปัญหาเรื่องประนมประราชโชนานี้อาจจะนิมนต์ก่อนนิมนต์ที่หลังถึงการไเป็นไรหรอกก็เอามาคลุกกันแล้วก็ฉันครั้งเดียวก็ได้แม้จะวิกัพการนิมนต์ครั้งแรกให้แก่ทิฏฐิอื่นแล้วฉันก็ควรอันนี้ก็สามารถวิกัพได้เป็นวิธีแก้ปัญหาเหมือนกันว่าถ้ามีใครมานิมนต์ให้ฉันก่อนคนแรกแต่มานิมนต์ให้ไปฉันเพนแล้วคนมานิมนต์ที่หลัง ก็นิมนต์ให้ไปฉันเช้าอันนี้ทำยังไงก็จะต้องวิกับกนที่มานิมนต์ก่อนให้แกพิกษุรูปอื่นไปว่าท่านผมวิกับอาหารที่บ้านนั้นแกท่านนะท่านไปฉันแทนทีตัวเองก็ฉันเช้าซึ่งก็นิมนต์ที่หลังก็ได้เพราะมีพระบาลีว่าดูวารพิกษจทั้งหลายเราอนุญาตให้วิกับก่อนแล้วฉันปรมประโชนะได้ ชื่อว่าการวิกัพพรดนี้จะทําต่อหน้าก็ได้จะทํารับหลังก็ได้ภิกตุครั้นเห็นพระต่อหน้าแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าวิกัพหรือข้าพเจ้าให้พัฒหารที่หวังว่าจะได้ของข้าพเจ้าแก่ท่านดังนี้แล้วพึงฉันเมื่อไม่เห็นเพิงถือเอาชื่อของสาธมิกทั้งห้าคนในคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าวิกัพหรือข้าพเจ้าให้พัฒหารที่หวังว่าจะได้ ของข้าพเจ้าแก่ท่านผู้มีชื่อนี้ดังนี้แล้วพึงฉันก็วิสุไปใส่นิมันตณพัด ส, สองสาลที่ลงในบานใบเดียวทำให้ละคนเป็นอันเดียวกันฉันก็ควรใครนิมนต์ก่อนนิมนต์หลังก็ไม่เป็นไรหรอกใส่พัดเหล่านั้นลงในบาปแล้วก็ละคนกันฉันก็ไม่เป็นไรสมจริงดังพระดาดาษที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอนุญาตไว้ว่า ไม่เป็นอาบัติแต่พิจุผู้ฉันบินดาบาทที่รับนิมนต์ไว้สองสามแห่งรวมกันดังนี้ถ้าตระกูลสองสามตระกูลนิมนต์พิจุให้นั่งในที่แห่งเดียวแล้วนำาตัาหารมาจากที่นี้และที่นั่นแล้วเทข้าวสวยแกงและกับข้าวลงไปพัาตึ้งของสำรวมเป็นอันเดียวกันไม่เป็นอาบัติแม้ในัาสารวมนี้ถ้า พัดรวมๆกันอย่างนี้ใครนิมนต์ก่อนนิมนต์หลังก็ไม่เป็นไรฉันได้ก็ถ้าว่านิมันตนพัดครั้งแรกอยู่ข้างล่างนิมันตนพัดที่หลังอยู่ข้างบนมันไม่จะมีปัญหาแน่นะก็คือคนที่เขานิมนต์ถวายพัดก่อนเนี่ยนะนันไปใส่พัดที่หลังแต่ว่าคนที่เขานิมนต์ที่หลังเนี่ยใส่พัดก่อนอันพัดของคนที่นิมนต์ที่หลังเนี่ยอยู่ข้างบนพัดของคนที่นิมนต์ก่อนอยู่ข้างล่าง เป็นอาบัติแก่พิจุผู้ฉันนิมันตนภาภัตที่หลังนั้นตั้งแต่ข้างบนลงไปก็คือไปฉันนี้เรียกว่าปรมปรัชโชนะไปฉันของคนที่ก็น้มวลที่หลังก่อนเนี่นะก็เป็นอาบัติแต่ไม่เป็นอาบัติแก่พิจุผู้ฉันโดยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่เวลาที่เธอเอามือล้วงลงไปภายในแล้วก็พักํำข้าวแม้คาหนึ่งจากนิมันตนภาภัตครั้งแรกแล้ว ก็คือคนที่ก็นิมนต์ทีแรกเนี่ยแต่ว่าไปใส่อาหารลงก่อนแล้วคนที่นิมนต์ที่หลังก็ใส่อาหารลงที่หลังอาหารมันก็อยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นก็ล้วงลงไปเอาอาหารที่เขานิมนต์ก่อนมาฉันแล้วอันนี้คำเดียวก็ไม่เป็นไรแล้วหรือว่าถ้าจะระคนกันคลุกให้เอาข้างบนมาอยู่ข้างล่างข้างล่างอยู่บนก็ไม่เป็นไรฉันครับไปได้ท่านกล่าวไว้ในมหาปัญจเรีว่า แม้ถ้าตรากูลทั้งหลายราดนมสดหรือรสรสก็หมายถึงน้ำแกงลงไปในพักนั้นพักที่ถูกนมสดและรสราดทับมีรสเป็นอันเดียวกันกับรสนมสดและรสนั้นไม่เป็นอบัติแกีิสุผู้ฉันตั้งแต่ยอดลงไปก็คือน้ำทั้งหลายใครจะถวายก่อนถวายหลังเมื่อเทลงไปแล้วมันละคนกันแล้วฉันได้ลงไปแต่ยอดไม่มีอบตด แต่ในมหาอัตกถากล่าวว่ากศุได้ขีระพัดหมายถึงพัดที่เจือด้วยนมสดหรือรัศพัดหมายถึงพัดที่มีรถแกงนั่งแล้วแม้ชาวบ้านพวกอื่นเทขีระพัดหรือรัศพัดอื่นลงไปบนขีรพัดและรัศพัดนั้นนั่นแหละอีกก็ไม่เป็นอาบัติแก่ทสุผู้ดื่มนมสดหรือว่ารถ แต่เป็นตุผู้กำลังฉันอยู่จะเปิบชิ้นเนื้อหรือว่าก้อนข้าวที่ได้ก่อนเข้าปากแล้วฉันตั้งแต่ยอดลงไปควรอยู่แม้ในข้าวปาญาดเจือหน่ยใสก็มีในนี้เหมือนกันคือใครถวายก่อนถวาหลังก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องจดจํำมาไว้ว่าใครเป็นคนถวายก่อนเมื่อถวายก่อนก็เอาชิ้นเนื้อหรือว่าก้อนข้าวของคนที่ถวายก่อนหรือว่าคนที่นิมนต์ก่อนแล้วเอามาฉันชิ้นเดียวก็ไม่เป็นไรละฉัน ไปใต้ตามบอนบักท่างกล่าวไว้ในมหาอัจฉริยะว่าอุบาสกผู้ใหญ่นิมนต์พิกษุไว้เมื่อพิกษุไปตูดตระกูลอุบาสกก็ดีชนมีบุตรภรรยาและพี่น้องชายพี่น้องหญิงของอุบาสกนั้นก็ดีนําเอาพักส่วนของตนตนมาไยบาดเป็นอาบัตดแก่พิกษุผู้ไม่ฉันพักส่วนที่อุบาสกถวายก่อนฉันส่วนที่ได้ทีหลัง อันนี้ก็เป็นปรามประโภชนะเหมือนการไปฉันอาหารที่เขานิมนต์ที่หลังส่วนในอัตถกถาโกรุนทีกล่าวว่าควรแต่ในมหาปัจจ리กล่าวว่าถ้าพวกเขาแยกกันหุงต้มนํามาถวายจากพัดที่หุงต้มเพื่อตนเพื่อตนบรรดาพัดเหล่านั้นเป็นปาจิตติก็คือถ้าแยกกันเป็นของของแต่ละคนแต่ละคนถ้าแยกกันแล้วถ้าไปฉั น, ฉนองค์ที่ก็นิมนต์ที่หลังก่อน ไม่ฉันของคนที่เขาหนุนมนทีแรกก่อนก็ต้องปริจิ ต, ตีก็เป็นปฏิจจตีแก่พิสูปผู้ฉันพัดที่เขานํามาที่หลังก่อนแต่ถ้าพวกเขาทั้งหมดหุงต้มรวมกันไม่เป็นปรมประโภชนะถ้าหุงต้มรวมกันนี้ก็ไม่เป็นไรใครหนุน ม, มนก่อนหนุมมนหลังฉันได้ใครถวายก่อนถวายหลังก็ไม่เป็นไรอุบปศกผู้ใหญ่หนุน ม, มนที่สุให้นั่งคอยชาวบ้านอื่นแต่รับบาตรที่สูยาพึงให้ เขาถามว่าทําไมขอรับท่านจึงไม่ให้พึ่งกล่าวว่าอุบาสกท่านนิมนต์พวกเราไว้ไม่ใช่หรือเขากล่าวว่าไม่เป็นไรขอรับนิมนต์ท่านฉันของที่ท่านได้แล้วได้แล้วเถิดจะฉันก็ควรถ้าคนที่เขานิมนต์ไว้ทีแรกเนี่ยเขาให้นั่งรอแต่ว่าคนอื่นจะเอาอาหารมาถวายพระพิสุก็บอกว่ายังไม่รับหรอกห้ามไว้คนที่เขานิมนต์ทีแรกก็ถามว่าเอาทำไมไม่รับล่ะบอกว่าก็ท่านนิมนต์เอาไว้อะ ถ้าเขาบอกให้ฉันของที่ได้แล้วก่อนก็ได้นี้ก็จะฉันก็ควรในกุรณทีกล่าวว่าเมื่อคนอื่นนำพัดมาถวายพิตุแล่บอกกล่าวแล้วฉันก็ควรก็คือบอกกับคนที่ก็นิมนต์ทีแร้วคุณว่าเขาเอาอาหารมาถวายสมามาจะรับได้ไหมถ้าเขาอนุญาตเดี๋ยวเขาบอกว่านิมนต์รับเธออันนี้ก็รับแล้วก็ฉันไม่เป็นไร พวกชาวบ้านทั้งหมดอยากฟังธรรมจึงนิมนต์พิจุผู้ทำอนุโมทนาแล้วจะไปว่าท่านขอรับแม้พรุ่งนี้ก็นิมนต์ท่านมาอีกในวันรุ่งขึ้นพิจุจะมาฉันพัดที่ได้แล้วได้แล้วควรอยู่เพราะเหตุไรเพราะชาวบ้านทั้งหมดนิมนต์ไว้แม้พิจุรูปหนึ่งไปเที่ยวบินตาบาลได้พัดตาหารมาอุบาศกอื่นนิมนต์พิุรูปนั้นให้นั่งคอยอยู่ในเรือนและ พักยังไม่เสร็จก่อนถ้าพิจูนั้นฉันพัดทีตนเที่ยวบินตาบ่าได้มาก็เป็นอาบัติด้วยนะเมื่อเธอไม่ฉันนั่งคอยอุบาสกถามว่าทําไมขอรับท่านจึงไม่ฉันเธอกล่าวว่าเพราะท่านมีมนไว้แล้วเขาเรียนว่านิมนท่านฉันพัดที่ท่านได้แล้วได้แล้วเธอขอรับดังนี้จัฉันก็ควรนี่ขนาดไปบินตาบ่ามาเองนะ พิสูรรุ่นหนึ่งไปเที่ยวบิจบานได้พระทหารมาอุมาศกก็นิมนต์ให้ไปรออยู่ในเรือนถ้าฉันอาหารที่บินตบานมากอบ น, นี่ก็อบับต้องบอกอุบาักก่อนหรือว่าถ้าข้ น, นิมนต์ก็ฉันได้ไม่เป็นอาบาับแกพิสูรผู้อัญชาบ้านทั้งมวลรวมกันนิมนต์ไว้เท่านั้นซึ่งฉันอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งแม้ในสมาคมก็ในนี้เหมือนกัน ท่านกล่าวคํานี้ไว้ว่าไม่เป็นอบัติแก่พิสุรับนิมนต์ชาวบ้านทั้งมวลแล้วฉันในที่หแห่งใดแห่งหนึ่งในตําบลบ้านนั้นหนึ่งพิสุรับนิมนต์สมาคมทุกเหล่าแล้วฉันณนะที่หแห่งใดแห่งหนึ่งในสมาคมนั้นหนึ่งพิสุถูกนิมนต์แต่บอกว่าเราจะรับพิษาถ้าการนิมนต์บอกว่าเราจะรับพิษาก็หมายถึงว่าปฏิเสธนี่นแหละคือไม่รับนิมนต์เพราะฉะนั้นจะฉันของใครก่อนก็ได้ใครจะถวายก่อนถวายหลังไม่เป็นไรละเพราะว่าเราไม่ได้ รับนิมนต์เพราะว่าปรมัมประโภชนะนี้หมายถึงว่าจะต้องฉั้นอาหารที่เขานิมนต์ที่หลังก่อนรายแรกถึงจะเป็นอบัตถถ้าเราไม่รับนิมนต์ก็คือเราจะรับพิษาอันนี้ก็ไม่มีอบัติ <c oughs> ์เพราะทหารที่เขาถวายเป็นนิดใครถวายก่อนถวายหลังก็ไม่กปะไรฉันได้ไม่มีอบัติ์เพราะทหารที่เขาถวายด้วยสลาก็ตามเพราะทหารที่ก็ถวายในวันปากก็ตามเพราะทหารที่เขาถ ว, ยว า, า, า, า, าถวยในวันอุโบสถอุโปโสถิกพรม พระทหารที่จะถวายในวันปาฏิปฎิติคภัทรฐานอาหารทุกอย่างเว้นโภชนะห้ามาได้แก่พวกข้าวยาคูพวกผลไม้ผักต่างๆอันนี้ก็เว้นโภชนะห้าใครถวายก่อนถวายหลังก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอบัตในที่ทั้งปวงแหล่อันนี้ก็เป็นอนาบัตเป็นอนาบัตในบรรดาอนาปฏิวานเหล่านั้นในข้อนี้ว่า นิมานติยะมาโนพิกขังกหเหตมีติภณะติมีความว่าภิกษุผู้ถูกเขานิมนต์ว่านิมนต์ท่านรับพัดนาหานกล่าวว่าอาตมาไม่มีความต้องการพัดของท่านอาตมาจาักรับภิกษาไม่เป็นอาบาัติใจภิกษุผู้พูดอย่างนี้ก็คือเมื่อไปรับของคนนี้แล้วแล้วก็รับของคนอื่นอีก ก็จะเอาของคนอื่นที่เขาไม่ได้นิมนต์เอาไว้ทีหลังเนี่ยมาฉันก่อนเขาไม่มีอบัติเพราะว่าเราปฏิเสธการรับนิมนต์ไปแล้วนะเราจะรับศึกษาแทนในคำว่าพัดตังข้อควาละวนตินี้ก็มหาประุมเถระกล่าวว่าพิสุผู้กล่าวอย่างนี้อาจทำไม่ให้เป็นนิมมันตะพัตในสิกขาบทนี้ได้แต่ได้ทาโอกาสเพื่อประโยชน์แก่การฉัน รัชนันทิสุรานจึงไม่พ้นจากคณะโภชนะและไม่พ้นจากจาริตติกคาบทคณะโภชนะเป็นเรื่องของการฉันเป็นหมู่จาริตติกขาบทก็หมายถึงว่ารับนิมนต์แล้วมีพัดอยู่แล้วไม่บอกราพิจุตทั้งหลายเที่ยวไปในแวด บ, บ้านเนี่ยนะจะเป็นอบัตแม่หมาปะตุมบอกว่าไม่พ้นจากคณะโภชนะกับจาริตติกคาบทในเมื่อกล่าวว่าเราจะรับพิกษาไม่รับนิมนต์เนี่ย ส่วนพระมหาสุมเถระกล่าวว่าที่สุอาจจะทําให้ไม่เป็นนิมันตะพัดโดยส่วนใดก็ไม่เป็นคณะโพชละแล้วก็ไม่เป็นจาริตะโดยส่วนนั้นดังนี้ะอันนี้ก็ตัวนี้ข้อความความเห็นของพระมหาสุมาเถระนี่หนักแน่นกว่าแล้วก็อย่างที่แสดงไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าวินิชัยอันสุดท้ายเนี่ยเป็นวิเนิชัยที่มี ความเห็นที่ถูกต้องมากกว่าเพราะฉะนั้นความเห็นของพระมหาปทุมตรงนี้ก็เลยตกไปความเห็นของพระมหาสุมะเทระมีความหนักแน่นกว่าก็ถือเอาความหนักแน่นตรงนี้ก็คือถ้าเขานิมนให้ฉันพัดแต่เราก็เปลืองว่าเราไม่รับพัดหลอกนะเราจะไปรับพิษาเราจะบินบาบเราจะรับพิษาอันนี้ก็เป็นการปลดเรื่องคณะโพชนาด้วย แล้วก็บรรเทาปรมปร ะ, ระโภชนะด้วยจาริตริขาบทด้วยเพราะว่าจาริตริขาบทนั้นหมายถึงว่าเมื่อรับนิมนต์แล้วมีพัดอยู่แล้วเนี่นะเที่ยวไปแล้วไม่บอกนายพิโุที่มีอยู่ในวัดเนี่ยต้องบัตรจะก่อนฉันก็ดีว่าหลังฉันก็ดีุริพัตัปชาภัก พ, ก, พ ก, ก็แล้วแต่ต้องบรรพิตีิมันกันแต่ถ้าบอกว่าเราจะรับพิกษาเราจะบินทบาทก็แปลว่าไม่ได้มีนิมนต์ไว้ไม่ได้รับนิมนต์ไม่ได้มีพักอยู่ประจําแล้ว ในบราบทเหล่านั้นบทว่าจาริตัคือจาริตังกิขาบทที่มาอย่างนี้ว่าอันหนึ่งภิกตุใดรับมิหมดแล้วมีพัฒอาหารอยู่แล้วไม่บอกลาภิกตุที่มีอยู่ถึงความไปพูดเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายก่อนฉันก็ดีหลังฉันก็ดีเว้นไวแต่สมัยเป็นปาจิตตีสมัยในเรื่องนั้นคือสมัยที่ถวายจีวอสมัยที่ทาจีวอนี้คือสมัยในเรื่องนั้นในจาริตต สิขาบทนี้มีสมัยยกเว้นจากอาบัตได้สองสมัยเท่านั้นนะคือสมัยทําอจีวรกับสมัยที่ทําจีวรแต่ถ้าเป็นปรมประโภชนะมีสมัยสามอย่างก็คือสมัยที่ป่วยไข้สมัยที่ถวายจีวรสมัยที่ทําจีวรแต่ถ้าเป็นคณะโภชนะมีมีสมัยถึงเจดอย่างเลยนะก็คือคราเจ็บไข้คราวที่ถวายจีวรคราวที่ทําจีวรคราวที่เดินทางไกลคราวที่ขึ้นเรือไป พอที่ประชุมใหญ่แล้วก็คราพัดของธรรมะมีสมัยที่แตกต่างกันจึงอยู่ด้วยสิบขาบทนี้ที่ตุใดรับนิมนต์โภชนะห้าอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยการนิมนต์ที่เป็นอกัปยะหมายถึงนิมนต์ด้วยโภชนะห้านะเอ่ยชื่อแต่ว่าออกชื่ออาหารออกชื่อโภชนะหนะ้าเนี่ยถือว่าเป็นอกัปยะขา น, นิมนต์ที่เป็นอกัปยะโดยในเป็นต้นว่าขอนิมนต์ท่านรับพัดดังนี้ พิสูจนั้นแหละเป็นผู้มีพัดด้วยนิมันต ะ, นะพันั้นไม่บอกลาแล้วซึ่งพิกจูผู้มีอยู่ด้วยคำเช่นนี้ว่าข้าพเจ้าจะไปสู่เรือนของบุคคลชื่อนี้หรือว่าข้าพเจ้าจะถึงการเที่ยวไปเพราะฉะนั้นก็ขอบอกลาท่านฉันพัดที่นิมนต์แล้วหรือไม่ฉันประตามเมื่อเวลาเที่ยงวันยังไม่ล่วงเลยไปข้าไปสูงตระกูลอื่นจากตระกูลที่นิมนต์ตนไว้ เว้นสมัยแม้สองอย่างมีลักษณะตามที่กล่าวแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นปาจิจตีในสมัยอื่นแก่พิกษุนั้นในเรื่องของจาริตสิกขาบทนี้นะอบัตปาริจตีเพราะจาริตสิกขาบทเพราะฉะนั้นถ้าพิกษุถูกนิมนต์ด้วยการนิมนต์ที่เป็นอาตมายะกล่าวว่าอาตมาจักรับพิษาดังนี้ไม่เป็นอบัตด้วยสิกขาบทแม้นี้เพราะฉะนั้นถ้าเขานิมนต์ด้วยพัก หรืว่านิมนต์้โพชนาห้าอย่างใดอย่างหนึ่งกล่าวว่าอาจจะมาจะรับพิการณาอาจจะมาจะรับพิการาหรือว่ามาจะเที่ยวไป บ, บินรบาดนะก็ไม่เป็นการรับก็สามารถที่จะปลดเรื่องอบัตจากสิกขาบทสามสิกขาบทเลยนะก็คือคณะโภชนะสิกขาบทปรมประโพชนาสิกขาบทแล้วก็าจาริตสิกขาบทอันนี้เป็นความละเอียดเึ่งความแยกคายแล้วเป็นการปลดเรื่องอาบาตัตสําหรับพิโกที่ มีศัทธาในการที่จะศึกษาแล้วก็ทรงจาน้อมนําไปในการที่จะประพฤตตามจะทําให้มีสติธรรมิชญญะเพิ่มพูนมากขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยประ ก, กรันอบรมสมถะภาวนาเพราะว่าในเมื่อไม่มีความเดือดร้อนในการที่จะผิดพระวินัยบัญญัติแล้วก็มีความปีติปราโมทย์กล่าวเพิ่มที่ได้สามารถรักษาพระวินัยได้จะเป็นปัจจัยทําให้จิตสงบระงับได้ง่ายเจริญสมถะภาวน า, าก็เป็นสมาธิได้ง่ายเมื่อน้อมไปในการที่จะ รู้เห็นนามธรรมรูปธรรมสังขารและขันธ์สังขารธรรมทั้งหลายโดยความแปรปรวนไม่เที่ยงเป็นทุกข์แป้นาตาก็สามารถที่จะยังเห็นได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นก็่อยท่านทั้งหลายได้อบรมไตรจิขาเพื่อที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมตัสรุอริยสัจสี ต, ตามเสด็จทะสามาสามุตุเจ้าและอริยาสาวกได้โดยทั่วกันด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ